ครับสวัสดีครับผมตั้ม YouTube ด้วยนะครับนะครับที่ช่องอ่า petthai story นะ เกี่ยวกับด้านต่างๆของพระพุทธศาสนานะครับเรื่องราวของครูบา ก็คงเคยได้ยินนะครับว่าเมืองลับแลเนี่ยมีตำนานเล่าขานเนี่ยมากกันยังไงนะครับก็เป็นเมืองที่ร่ำรวยบ้างแหละ เมื่อบุรุษชนอย่างเราๆพูดกันเนี่ยเช่นหลวงปู่ ก็ผมจะขอกล่าวๆเลยนะครับของ เป็นผู้ที่มีฤทธิ์นะท่านก็เป็นสาธัมมิกนะครับกับหลวงปู่แว่นสุจินโนนะครับๆครั้งนะครับ อ่าดูผงผางนะครับนี่คือเรื่องเรื่องเรื่องราวที่ก็ก็มีเกี่ยวกับพระอริยสงฆ์นี่หลายเล่มว่าเป็น ตำนานเรื่องเล่านี้ก็เหมือนจะเป็นนิทานที่เล่า ก็ในประเทศไทยเนี่ยเค้าก็เล่าว่าจะมีมรดกแปลเนี่ยๆที่เช่นเพชรบุรีอุดรดิตถ์จังหวัดเลยหรือที่บึงกาฬนะก็จะมีเป็นต้นนะครับ ก็ตำนานของเมืองระแแปนเนี่ยเค้ามนุษย์นะฮะมนุษย์ปุถุชน ชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับได้เข้าไปเดินผ่านประตูมิติบังเอิญเผลอเลยเขาไปผ่านๆที่เคยทําร่วม เกิดรักใคร่รักใคร่กันโดยทันทีนะครับก็เลย ให้กดข้อ 1 ใหไปนะครับก็คือจะต้อง ชาวมรณีย์ต้องกลับมาโลกมนุษย์เหมือนเดิมก็คือว่าวัน นะครับแม่มาแต่คือว่าต้องการให้ลูกหยุดร้องไห้ก็เลยเอ 5 เอ้ย 4 นะครับมุสาวาทานนะครับก็ทําให้ อ่าสามีเธอนี้ได้พูดผิดศีลไปแล้วนะโกหกรูปไปแล้วนะครับทําให้ภรรยาเนี่ยก็ต้องบอกให้เค้าเนี่ยออกจากเมืองลับแล ก็ระหว่างทางนะครับเขาก็ฉายตัวนี้ก็ระหว่างทางเดินทางกลับนะก็ <himself> <HHH> ปรากฏว่าเรือหัวขมิ้นอยู่หัวเดียวนะแต่เพื่อนๆต่างๆก็ญาติพี่น้องก็เข้ามาสัก หงส์ขมิ้นนั้นนะครับกลายเป็นทองคําเหลืองอล่างเลย เอาเรื่องที่เราสืบสืบต่อก็ เขียนไว้ในหนังสือนะครับหนังสือในโครงการหนังสือบูรพาจารย์เล่มที่ 2 นะครับเอ่อ คอมพิวเตอร์เนี่ยท่านบอกว่ามีจริงนะครับก็คือว่าท่านอ่าบอกว่า แต่ก็ไม่รู้ว่าเค้านั้นเป็นเป็น ก็บอกว่าที่เมืองลําแหลกเนี่ยก็มีวัด นะครับก็ก็ได้ปฏิคถาแสดงธรรมตรงนั้นให้ ก็ปรากฏก็ปรากฏในหนังสือนะครับบันทึกบันทึกไว้ก็มีเรื่องราว หลวงปู่คําคันนิ่งเลยครับนะครับที่ๆไว้ให้ จบเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ